พระธรรมเทศนาที่77ลำดับที่22โดยหลวงพอ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอธานีแสดงธรรมในวันที่27กรกฎาคม2558มีชื่อเรื่องว่าอยู่เพื่อทำ วันนี้เป็นวันที่27สบกรกฎาคมพุทธศักราช2558สบวันก่อนวันที่25สบห้าหลวงพ่อบวชพระเสร็จตอนบ่ายพระสิบรูปผีน้องประชาชนล้นหลามเพราะว่าแต่ละนาก็มีผีน้อง เราเห็นกันอยู่ข้างนอกศาลาใหญ่เต็มแต่พอวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อก็ต้องได้คิดอีงเหมือนกันว่าจะต้องมีญาติพวกวงสาคนาญาติจัดญาติต้องรอใส่บาตรพระใหม่อันนี้ก็คือพวกเราเคย เห็นเคยทำมาแต่หลวงพ่อพอบวชเสร็จแล้วก็จะมีงานฉลองเจดีของหลวงพ่อคูณสุเมโทวัดป่าภูทองบ้านภูดินอำเภอบ้านผือเขาคนนี้มนต์หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมในคืนวันที่ย5่ห้าหลวงพ่อก็ต้องได้ออกไป พอออกไปแล้วก็คืองานสองงานมันชนกันคืองานช้างโดยกันคืองานหลวงปู่ถินวัดวันจิกที่หลวงพ่อไปแสดงธรรมทุกปีปีนี้ก็เป็นปีที่สิบแต่หลวงพ่อคิดว่าจะไปงานหลวงปู่ถินที่แรกเพราะว่างานแต่นั้นเราเราหลวงพ่อไปทุกปีแต่พอปีนี้รู้สึกว่าหลวงปู่บุญมีที่เป็น ประธานสงครูบาจารย์ในท้องถิ่นท่านก็ไปจำพรรษาที่อื่นหลวงพ่อมาคิดอีกเหมือนกันเออเราน่าจะไปบ้านผือเพราะว่าจะได้พบศรัทธาญาติโยมพี่น้องลูกหลานที่มาในงานหลวงพ่อเลยไปที่บ้านผือจากนั้นก็ไม่ไม่ให้เสียทั้ง น้ำไม่ให้เสียทางอุดร อ, อีกเพราะว่าทางพิุดร์เขาก็คืนไปวันหลวงพ่อจะเป็นองค์แสดงธรรมในคืนวันนั้นพระว่าเขาพูดก่อนอันนี้กันมันปัญหาเฉพาะหน้าหลวงพ่อก็เลยพอเทศสนาที่พูดวัดที่หลวงปู่คูณจูเมโถ ท, ที่พูดดินเสร็จแล้วก็ไป พักเป็นนอนค้างที่วัดท่านรัตนะอำเภอเพนคืนวันที่25า้ายี่สิบเช้าออกมาขึ้มารับบิณฑบาทที่อุดอรวัดบันจิโก้พี่น้องประชาชนจัดทายย่านรมรนหลามเมื่อวานเนีแล้วก็พอฉันหัรเสด้ว ก, ก็กลับมาพอกลับมานี่ก็คออณะครูบ า, าอาจารย์ เขตเขตหนึ่งที่หลวงตาหัวดชักชวนว่าจะไปกะเกษียณอายุราชการแล้วก็ชักชวนหมูพวกเพื่อนจัดเป็นผ้าป่ากองเล็กๆ เ, เพื่อจะดูแลสงอาพาดเงินก้อนนี้คือมาเพื่อจะบำรุงพระสง์อาพาดของโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นมูลนิธิของหลวงพ่อที่ดูแลสงอาพาด ไอ้เขาเพิ่งตั้งเข้ามายังเป็นเบบี้อยู่ยังเป็นเบบี้ ย, Baby, ยังเป็นเด็กอยู่ก็เลยช่วยๆการคิดเอาทุนเสริมทุนเข้ามาเพื่อจะดูแลพระสงฆ์อาพาธเมื่อวานเนี่ยก็ได้ปัจจัยมากอยูน่นะผมมาหลวงหลวงพ่อมาถึงเดินทางมาเหนื่อยๆก็ามาเห็นคณะสัตธาญาติโยมหลวงพ่อก็ขึ้นมานั่งรับผ้าไปา ได้เงินทั้ง 300,000 กว่าบาทนะคณะจต่ายาตโยมลูกลาน36มแสเงินนี้ก็ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดใครผู้หนึ่งหรอกจะเอาข้อเป็นมูลนิเทเพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธเมื่อพระสงฆ์อาพาธเจ็บไข้ได้ป่วยหรือชีเจ็บไข้ได้ป่วยผู้ที่เขามาประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้มาไม่มีวิชาอาชีพอย่างอื่นเเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะได้อาศัยนี่ ชฎาสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันถวายแล้วก็เก็บไว้ให้เพื่อดูแลพระสงฆ์แม่ชีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ <c> ื <oughs> ่อมูลนิธิดูแลสงฆ์อาพาธเมื่อวานนีแต่ไปเห็นเจดีย์ของหลวงพ่อคูแล้วก็เป็นเจดีย์เป็นเจดีย์แท่งทึบเป็นหิน ดูแล้วก็แ น, <c oughs> แน่นแน่นหนามันคงเห็นแล้วก็คงจะอยู่เป็นเม่รู้กกี่ปีแหละหลวงพ่อก็เลยบอกว่าใครอยากจะรู้ว่า JD เจดีที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นหินเนี่ยที่พวกเรามาฉลองฉลองเจดีเนี่ยใครอยากจะรู้ว่าจะอา ย, อยุยืนขนาดไหนน้าเจดีเนี่ยพวกเราจะไปตายง่ายน้าวอยู่นั่นน่ะอยู่พร้อมกับเจดีพังนั่นแหละ หลวงพ่อบอกนะเออแต่หลวงพ่อคิดว่าว่าเจดีเนี่คงจะอยู่เป็นหลายพันปีแล้วอาจจะถึงหมื่นปีก็ไม่ทราบมันเป็นหินทั้งก้อนขนาดนี้แต่หลวงพ่อไม่อยู่ไม่นานหรอกไปก่อนทูเจ้าใครอยากจะรู้ว่าเจดี <G D> นี่จะอยู่ <G D> นานสักเท่าไหร่จะพึ่งไปนะ่ลุกล้านนะวะหายใจไว้อย่าไปใจขาด <c oughs> นะหลวงพ่อก็เลยบอกว่า ผูกลูกหลาดเลยการสร้างพระเจดีย์พอสร้างเสร็จแล้วเนะ่ยเราจะไปจะไปผูกพันจะไปผูกพันกับเจดีย์พอสร้างเสร็จแล้วก็คือเซตคนโบราณเขาจึงบอกว่าการให้ไปแล้วก็คือให้ไปแต่คนที่ให้เรามาอันนั้นต้องจำเอาไว้ถ้าว่าเราให้ไปเนะ่ยอย่าจอ พอให้ไปแล้วก็คือมาจบไปแล้วมันเป็นเรื่องจบไปแล้วไม่ต้องจำํำแต่คนไหนให้ให้เรามาเราต้องจําไว้เพื่อเป็นการทดแทนพระคุณต่อไปภายภาคหน้าไอ้คนโบราณเขาถือกันอย่างงั้นนะอันนี้ก็เราให้ถวายพระเจดีย์ไปแล้วเราก็ไม่ต้องผูกพันมีแต่ตั้งจิตอธิษฐานในจิตในใจสาธุเนอผูกขาดได้ทำบุญ สร้างพระเจดีย์มากน้อยเพื่อบัรจุพระบรมสารีริกาธาตุเพื่อบัรจุอธิทธาานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้เสียสละได้ทำบุญไปแล้วนี้ขอขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารถึงแดนพระ涅พานจะได้มาบุน เวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินต้องคิดในใจอย่างนั้นไม่ใช่ว่าสร้างขึ้นมาแล้วก็ผูกพันเขาจะทำยังไงดีไหมจะอยู่ได้นานไหมเป็นวิตกกังวลเผื่อตายไปแลวไปเกิดมาเกิดเป็นเทวดาไนดะ้ไหนะเป็นลูกขะภูมะลูกขะเทวดารักษาพระเจดี พอใครมาใกล้ทําไม่ดีจะมาขุดพระเจดีย์ก็เอาผุ่มเทวดาก็โกรธเป็นเหมือนกันค่าคนมาเผื่อเทวดาตายจากเทวดาตกนรกเองเพราะอะไรเพราะค่าคนะเพราะนั้นมันปลูกพันอย่างนั้นไม่ดีนะทูกหลานเอาแต่บุญเท่านั้นพอแล้วเมื่อเราสร้างไปอะไรไปก็ตามก็ตามพอสร้างเสร็จแรกไหนเป็นเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเกื้อกูลหนุนเรา ไม่ต้องผูกพันทางด้านวัตถนนุนั้นๆพอเราสร้างไปแล้วจบไปแล้วเขาเราให้ไปแล้วเสียสละไปแล้วแต่วัดกองเราก็จ่ายไปหลายแสนมันกันนะเจดีย์เนี่ยที่เงินมันขาดที่แรกเขากดประชุมกันหลวงปู่บนมีอนุมัติ14ล้านแต่นเงินปัจจัยก็ยังเหลือถดยมันมันไม่พอยังเหลืออยู่เก้าล้าน พรสิบสิี่ล้านน่ะสิบสี่ล้านเป็นองค์พระเจดีย์ยังเหลืออยู่เก้าล้านกน็คือฐานพระเจดีย์ก็เลยประชุมกันหลวงพ่อก็ได้รวบรวมจตุปัจจัยคณะสัทธาติโจมทุกหมู่ทุกเหล่าร่วมกันรวมกันแล้วก็หมดไปยี่สิบกว่าล้านแต่พ อ, เ, อเข้าจริงเมื่อวานเขาประกาศว่าเจดีย์ นี่เนี่ยหมดไป30มล้านห้ 0,000 กว่าบาทนะก็หมดมากพอสมควรอยู่แต่ก็อย่างว่านะเพราะทุกวันนี้มันจะถูกปัจจัยมันก็เบาเงินมันน้อยแต่ก็พอสร้างไปแล้วก็ตรงนั้นก็น่าจะเติมตรงนี้ก็น่าจะทําตรงนั้นก็น่าจะตกแต่งให้ดีขึ้นลักษณะอย่างนั้นรวมแล้วจะเป็นเงินทั้งหมด อันนี้คือผู้อยู่หน้างานต้องเป็นอย่างนั้นแหละอย่างหลวงพ่อสร้างเจดีคุณแม่ชีแก้วก็เหมือนกันทีแรกคืงบของหลวงปู่ล่าเนงบสิบห้าล้านพออยู่บนเขาของคุณแม่ชีแก้วคงไม่ถึงกระมังพออยู่ที่ราบเราก็สร้างพอสร้างเข้าไปแล้วก็ซื้อที่ดินเนี่ยที่ดินมันแคบซื้อที่ดินด้วยอระบบน้ําด้วย แล้วถนนด้วยมันหลายด้วยแตนี่ยโผที่สุดหมดไปทั้งยี่สิบเจ็ดล้านกว่าเจดีของคุณแม่ชีแก้วนะแต่ขนาดนั้นก็จะไม่อยู่เอาในการทำมันจะไม่อยู่เอามันจะมันจะถลําไปกว่านั้นทีเราต้องเบรกไว้นะยดัด <c oughs> ขนาดนั้นก็หมดไปขนาดนั้นแหละเนี่ยนะคือการสร้างท้าวรวัตถุ ดีไหมก็ดีพอสร้างเสร็จแล้วมันก็จบไปแล้วเป็นท้าววนวัตถุในพระพุทธศาสนาเราก็ไม่ได้ไปยึดไปถืออะไรมอบให้ลูกให้หลานให้คนในท้องถิ่นเขาดูแลรั ก, รกษาต่อไปหลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังอะไรพอสร้างเสร็จแล้วก็คือจบปีหนึ่งก็เออไปทำบุญร่วมกันแต่มีอะไรก็บอกนะถ้าเขาทำไม่ถูกไม่ต้องก็เออทำอย่างนั้นไ ม, ม่ถูกนะ่าลูกหลานนะ ทำอย่างนี้มันไม่ถูกมันเกินไปนะมันเข้าข้างคนใดคนหนึ่งนะอันนี้คืออนัตนะสาธารณะนะหลวงพ่อมีแต่แนะนำในจิตในใจหลวงพ่อจะอยากจะไปได้ผลประโยชน์ในการสร้างในการทำมันไม่มีเพราอะไรหลวงพ่อฉันวันละบาทวันละมือนี่ก็พอแล้ว่าไปเอาอะไรโลกโหมโ ม, โมโกนะอะไรอีกต้องการอะไรอีก เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหมอทั้งหลายเขาก็ยื่นมือเข้ามาช่วยอยู่แล้วจะเอาอะไรอีกผ้าจีวรไม่พอเหรอเอามาซ้อนซ้อนกันชักร้อยผืนก็ยังได้คล้องได้เหรอผ้าซ้อนผ้าร้อยผืนแต่ขนาดสองผืนก็ยังหนักพอแรงแล้วยาล่ะแก้โรคพอยภัยไข้เจ็บที่พักพายอาศัยยังไม่พอเหรอจะเอาหรูหลาขนาดไหนอีกล่ะ อนอนหลับตาแล้วก็จบแล้วยุงไม่กัดได้ภาวนาแล้วก็บังเพลนภาวนาแล้วก็ น, น่าจะเพียงพอแล้วมั้ง เ, เวลาตายเลยไม่ใช่จะอยู่หลังใหญ่ขนาดนี้หรอกเขาเอาอัดอัดเข้าไปแคบๆอีกตั้งหากกว้างศอกท่านเองยาววาท่านเองเขายัดลงไปเอาฝาปิดอีกตั้งหากอาอยังไม่พอเหรอเรามีชีวิตอยู่กว้างขวัดกว้างขวางขนาดนี้ก็น่าจะพอแล้ว อต้องคิดดูเราไปอยู่ช่วงแคบๆปังสิว ะ, ะนี่แหละสอนตนอย่าให้ลืมตัวสรุปแล้วเราอยู่นัดานที่ใดมีความสุขใจทั้งหมดอะเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ลืมตัวถ้าพวกเราลืมตัวแล้วอยู่ที่ไหนนอมีความโลภอยู่ในจิตในใจมิแต่อยากอยากอยากหาความสุขไม่ได้นะอะคนมีความอยากในจิตในใจเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ คนนะเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ทึกยู่ที่ใดก็ตามให้เพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีบำเพ็ญศ<า>ีล ส, ส, สมาธิปัญญานะอย่าให้มันส่งออกไปค้างนอกถ้าส่งค้างนอกมีแต่เรื่องทุกข์เท่านั้นแหละ ถาวะอยู่ข้างในของตัวเองเราไม่ใช่ว่าเราประมาทไม่ได้โสแสวงหาไม่ใช่นะคนที่มีสติอยู่กับตนเองเนะ่ะคือเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะอันไหนควรจะได้อันไหนไม่ควรได้อันไหนควรจะทําอย่างไรเนะี่ยมันเหมือนกับคนเฝ้าบ้านนะเออไม่ใช่ว่าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วปล่อยประละเลยเออมีอะไรกับแมลงวันบินเข้าปากก็เฉยยู่นะ อะไรแมลงวีบินเข้าตาก็เชยอย่างนั้นไม่ใช่คนตายไม่ใช่คนตายแล้วนะคนที่มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองนะมองดูเลยเราควรปฏิบัติตนอย่างไรควรจะวางตัวอย่างไรอย่างไรมันจะเป็นถูกต้องถูกต้องอย่างไรมันจะเป็นธรรมอันไหนที่รายได้ที่จะดูแลตนเองอ เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองให้ได้เป็นยังไงเนี่ยนหะคนที่มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองมันมองนะมันมองรอบทิศรอบด้านมันเอาตัวรอดได้ทั้งหมดนะ่นแหลเราจะพึ่งจะพึ่งยังไงพึ่งครูบาอาจารย์พึ่งผู้ที่พึ่งได้มีขนาดไหนไว้ใจได้ขนาดไหนเพียงไหนแค่ไหนสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ย ผู้มีสติอยู่กับตัวเองหมุกมันคนเฝ้าบ้านอยู่ตัวเองอันไหนเข้ามาเนยเราจะรู้ได้ทั้งหมดเพราะผู้ปฏิบัติธรรมเว้นเสียเถอะนะปล่อยปลาละเลยไม่ได้สนใจแมลงวันบินเข้าปากก็ยังเฉยอย่างว่าดเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะสรุปแล้ว ก, ก็คือการปฏิบัติธรรมต้องรอบรอบครอบขอ บ, ขอบชิดมีสติสัมปชัญญะมีปัญญา มีขันติมีวิริยะอมีสัจจะอมีความตั้งใจมั่นให้อยู่ในจิตในใจแล้วนะั่นอยู่ในหลักธรรมคาสอนของพุทธะแล้วมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวจะหาความเสื่อมไม่ได้แต่ถ้าพวกเราออกนอกลูกนอกทางนั่นแนหะมีแต่ความหายยะนะความเจ็บหายจะเข้ามาเยือนพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอยู่ใน รมคาสอนของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าประกาศไว้แล้วก็พูดกันมาเป็นรำรำระบ์รำรำับพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนะอันนี้ก็คือพระธรรมคือหลักเหตุผลจะรักษาผู้คนดีพูดง่ายๆถ้าผู้ใดดีจึดใน เป็นคนดีแล้วนะพระธรรมจะรักษาถ้าคนชัวน่วพระธรรมไม่รักษานะเพราะนั่นพวกเราอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในสัมมาปฏิบัติอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยเป็นสัมมาทิฏฐินั่นแหละพระธรรมจะรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากเห็นไหมอย่างวัดของเราเนะี่ยเรา ไม่ได้วิ่งที่ไม่ได้เต้นไม่ได้อะไรเราก็อยู่ปฏิบัติธรรมของเราไปเรื่อยเนมันจะอดอยากไหมมันก็ไม่อดไม่อยากนะพอเป็นไปได้ไม่มีปัญหาหน่หลังหลวงพ่อเดินไปพระใส่บาตรจบลงไปแล้วหลวงพ่อก็เดินดูนานๆโดนเดินดูรอบหนึ่งแต่ก็ดูๆแล้วก็อาหารทั้งหลายทั้งปวงเพียงพอสำหรับพระขนาดนี้ ทองหลวงพ่ออยู่วัดป่าบ้านตาดไม่รวยถึงขนาดนี้หรอกสมัยไปอยู่ใหม่ๆคนทั้งหลายไม่รู้จนมาช่วงหลังๆเนี่ยคนรู้จกักมรคุณล้วก็เออเอาอาหารมากแต่ไปอยู่ใหม่ๆประมาณสิบกว่าปีนะโอ้ยแต่สองพันห้ารอยสิบสองถึงห้าร้อยสิบเจ็ดสิบแปดในช่วงนี้เยยังจนอยู่นะลูกหลานนะษนะาทาญาดโยมนะ แต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ใส่ใจในเรื่องอาหารก็สาคัญให้ปฏิบัติได้ภาวนาอยู่เท่านั้นแหละถ้าทานไปมากเพิ่งกันนะก็เท่านั้นพอเพ็นนั้นพระอยู่ในวัดป่าบ้านตาตสมัยนะั้นมิตรองค์ผมรอมทั้งนั้นเพรห้หลายเพราะฉันไปด้วยอดไปด้วยอดไปด้วยฉันไปด้วยอาหารก็ไม่สมบูรณ์แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจ มีแต่สนใจเรื่องธรรมะสนใจเรื่องภาคปฏิบัติจิตภาวนานะ่โดยมากจะเป็นลักษณะนั้นสมัยก่อนแต่นี้มาเห็นคูบาที่อยู่นะตอนเย็นก็มีน้ำปานุ่งปานะอีกเอกเอเผอเเๆลักษณะน้ำท่วมนะเนี่ยถ้าเป็นภาษาของหลวงตามหาบัวน้ำท่วมคืออเตเลกระาบท่วมพระท่วมผู้ปฏิบัติธรรม จนมองไม่เห็นทาในจิตใจถ้าภายใครลุ่มลงนะถ้าใครรู้จักเอาตัวรอดได้ก็ดีทดลองอดดูสิอาหารวันนี้บางทีฉันอิ่มบ้างอดบ้างสันให้อิ่มบ้างนี่แหละเป็นการฝึกในตัวแต่ถ้าไม่รู้จักประมาณวันไหนก็ยัดทนานยัดทนานเต็มที่นั่ น, นะอันนั้นแปลว่า ได้แต่ได้แต่ร่างกายถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็นเลี้ยงถือเลี้ยงร่างกายนี่เมื่อตายไปแล้วให้เขาหามหนัก่านเองมันอ้วนนะผล <c oughs> นั้นอย่าไปให้มันอ้วนมากนะเอารับพรได้สนิทนะ